ละงับตอนนี้หลงได้จะรู้จักประมาณในการบริหารอท่รัแล้ลึกถึงความตายสบายนักหากรักหักหลงในสงสารหากโรคหักโกรธหักหลงในสงสาร เ, เพราะว่าคิดว่าตัวเองจะต้องอตายอยู่แล้วจะไปสะสมอะไรามากมายนักหนาถ้าเรายิ่งเราเป็นพระ เ, เราก็รู้จัก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 แต่เมื่อเราไม่คิดนะมันไม่คิดนะมันย่องย่องเข้ามาที่หลังเรานะมันปกเสกนะมันเสกสรร น, นะ อ, อ, อันนั้นก็สวยอันนี้ก็งามเพราะสุดกรกรรมมกิเลสกามรมาลาคานะนอมันกำเริบเสบสารขึ้นมาในจิตในใจมันทำความชั่วช้าเสียหายได้ทั้งนั้นเพราะเหตุใเพราะเราไม่ได้พิจารณาถึงอสุภะ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 ผลผงทุเลเล็ก ๆ, ๆน้อยๆ น, อ, ย น, นอ่ินะสินอภิสมาจาร์เนี่ยนะหรืออาบัตเล็กน้อยนะที่มันจะเข้าตาของเรามันจะเข้ามาปิดบังใจของเราทำให้จิตใจของเราเมื่อดบดหมองมัวจากคุณธรรมจิตใจของเราจะไม่สดชื่นแจ่มใสมองไม่เห็นธรรมเพราะอะไรเพราะเราทำอาบัตเล็กน้อยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย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 ที่มันเกิดขึ้นมาในร่างกายใจของเราก็ให้รู้ว่านี่คือเวทนาเวทนาน่มีสองนะเวทนากายเ ว, าเวทนาใจเวทนากายก็คือการเจ็บปวดเวทนาใจก็คือมีสิ่งที่มากระทบใจใจเป็นทุกข์ใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์ระวัตสุ ข, ข, เส ข, ขเวทนาถ้าใจเป็นทุกขระวัตทุก ข, ข์เวทนาใจของเราเป็นทุกข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 มันก็เกิดเปิดเป็นฟองขึ้นมาเป็นฟองแต่ตับจมเป็นฟองขึ้นมาแต่ตับจมเป็นฟองขึ้นมาแต่ตับท่านก็เห็นนี่แหละคือทำมาหลมที่มากระทบใจพอมากระทบขีดใจแล้วมันมันใจก็รับรู้รับรู้ก็ปล่อยวางบางทีก็วางไม่ลงวางวางนานหน่อยบางทีก็าวางไปที่ไม่พอใจถ้าสิ่งที่ไม่มีอะไรก็วางเร็ว